มาใหม่เลยมาใหม่เลยที่นี่ใหม่ยิ่งมากกว่าเก่าที่มันที่นี่มันล ำ, ลำบากไม่รู้ภาษาอ ะ, ะไรทำไมล้ามากกว่าอย่างเห็นกันนี่จังไงทั้งกูทำดีก็าหายท้องอีกอะงนเงี้ย น้อมบางลับกระบข้างหน้อเร่งกับใครคื่มันหื้อๆบางมันไม่อากอกมารับแขกรับคนรับใครเลคือไม่อยากพูดกับกล่าพูดมามันหือๆกับข้ากมีเราไม่เพื่อครา้างกะพระพูดให้ฟังว่าข้างพูดกับน้นงัย ว่ากระหังหาก็ไปเพิมคือเพึ่มก็ค่ อ, อ, คอยกดค่อยดวล้มาเข้าม า, า, มาทั้งหมดคือเพึ่มข้าพูดพูดกาะตืหาคำการกระตือหาคำก็ต้องกระตือหาครู่ัาการรักคูรักอาการริบใจใส่กูรักอาการงู้นคนั้นก็ต้อมาค น, น่ี้ก็ต้อมา มันว <c ười> ัดคำพระเอาขอเท้าลเรื่อๆเพราลวงปู่เขาเท้าผ่านไปแล้วเขเรองาหลังมันเปื้อนความหลังกับความบกหลังมันมาเป็นคู่กันามรืองที่เกิดไปนัน คเคยไปยุบัดมาครับความตงอยู่ปบบยุบัดนี้มันคนในโลกไปแล้วงมันกระพุมใจหือว่าไปยบัดดีไปยบัดครับเคครับมันย่วเยี่วเยี่ยมันก็คนกันมันคนกายกับคนกล้านะความงมงายคงกม เขื่อนทเข้าไปอยู่นั้นร้อยควรก็ไเห็นนะมันรกทางที่เดินมันเจียนลงนะเหมือนไม่คุ้นกับเรื่องนีน้มันก็อยู่ที่ตลอดเวลาเมื่อมันคุ้นยันร็สูดตลอดเวลาเลยคนก็ยิ่งเขามันมากเขามากขัะเห็นไัมก้างสอนยามก็มืออยู่น้่งมันขาดกวอน ไม่มือหนึ่งครั้งรลกครั้างไม่มียไม่มใครมาเลยพักสนุกภาวนาเลยอาหารก็มีธรรมชาติธรรมชาติพาวนาสบายสบายเรื่องภาวนาการมนงานอะไรเพราะผมไม่มีงานอย่างนเ้ม่นเการมีงานขึ้นมาวัด ผู้หญิคนหมาเมื่อวานคืบพูดใหฟังนะญิงี้ก็พูดให้ ฟ, ๆๆหฟังส่วกับารจวิชาเู้ิ่งจ้ารู้าราละียดของคนอื่นรู้ใจของคนอื่นรู้ใจธรรมดาไม่ว่าส้าคันที่ใจือดวงที่มังฝึกมัแปลประหลาดมาก ในทําเร็วเกิดสลดคนหูพนัยใจตัวเราจะของอดุจการมาเป็นโทษด้วยวางันเราทำง่ายเลยเราเห็นกองขี้แล้วยังไม่เห็นเหมือนกับมันเลยตาเราเห็นกลองขี้เราก็เคยเห็นใจเราเห็นอย่างนั้นทําไมจะไม่ตื่นกองขี้มันเหมือนที่ฉันว่ากองขี่แล้วไม่เหมือนไม่มันเป็นลายไปก็เห็นก็ผ่านไปงานไป เขาเร็วเราไม่เร็วจะนอะไรไปเพราะงั้นคือการปฏิบัติต no ัวเองไม่งั้นจะรอบเลยแล้วพูดเห็นเขาของเราไปสรุปเขาหูเกิดความทุกขึ้นมาก็าแสดงว่าเราโง่ตอบความรุ่งเราเอรศทามันรอบความรุ่งตัวเองคือถึงเรียกว่ารู้่ะตาเก็เห็นมาเท่าไหร่แล้วผ่านมาเท่าไหร่ปฏิบัติตัวเองต่อหูต่อตามันเท่าไหร่นี่ปฏิบัติกับจิตไม่ได้เป็นยังไงนักปฏิบัตินักภาวนาละว่านมันว่าอย่แค่นั้นมันยังจะขืน ละเอียดลออกว้างขว้างมากกว่านั้นเลยนะขั้นภูมิมันปนดูจะรู้จะเห็นเห็นก็เห็นผัานก็ผ่านไปเหมือนกับตาของจมูกเรื่องกายที่มันสัมพัสสัมผัสไหลเนี่ยมันก็เพแปลกเป็นไรเห็นภายนอกก็เห็นภายในเมื่อจิจไม่ตื่นตัวเองไม่เป็นบ้าในตัวเองคนนั้วมันก็เสมอไปหมดแหละอื่นเปลี่นเปลี่ยนงั้นนี่รํามากผิดมันบอกแล้ว โอ้โสารโลนี่จะใครจะไปรู้จะง่าย่ะนันเป็นถูกที่เดนันเบื่อโอเลือง์ม่เห็นจิตมันปิดไปหมดเลยมันจะทาเบิดเข้าไปเบิ่อเข้าไปทำงานเข้าไปมันจะเห็นว่าเป็นของที่สุดที่แค่ปิดกระสุทุกด้านทุกทางปึกออกมาตรงถนนกระบาดมันมีบุญมันมีนรกมันมีสวรรค์มันมี เอาได้นนมันยังปิดปุ๊บอยู่ว่าตายแล้วสูญบางครั้งที่มันพาให้เกิดให้ตายแต่เวลาไมนมีใครพาให้สัตเกิดตายมีตะกีท้ทังนั้นพาให้เกิดให้ตายมีแค่เวลาแต่มันยังว่าตายแล้วสูงยังว่าอะไร้ฟังเรื่องแล้วยังเชื่อมันอีกนี่อืมถ้ามันยังสืิปัญญาเขา้าอยู่หัวมันจนแตกขาดสะบัน้นออกไปจากจิตใจแล้วจะไปเห็นคนทั้งมันยังไงจะไปเห็นความจริงยังไง กำลังมันลดลงขนาดนั้นอยู่ว่างเป็นทำประโยชน์เป็นนานเท่าขนาดไหนอย่างน้องปูความดีนี่ก็น่าวิตกนะน่ากลัวจะไม่ยืนนานต้องผ่าต้องตัดอะไรเรื่อยท่านอยู่อย่างงั้นอ่ะไม่ได้ออกนี้จะโรงพยาบาลนี่เพราะว่าหอบัญญาจะโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาเขาจะมาดูท่านประมาณสักเจ็ดวันหน่อยท่นจะกลับด้วยงั้นนะนี้ดีไม่ดีที่เอาท่านไปกรุงเทพอีกนี่ ไปแก้ไขไปแก้ไขามาก็แก้ไปแก้มาก็หมดทั้งแก้งก็ไปเรื่อริแล้วหังเปียงา้านี่สายวัตนามันอาภัพจริงๆอะเรื่องอย่างนี้มันเป็นต้องมากเราไปทำํำอย่างนั้นเลยโรงพยาบาลว อ, อยานะยาวเราไปนะเราไม่ได้สนิทเราไม่ได้ถนัดใจเหมือนเราอยู่ในลำพังเรา ยิ่งเวลามากเจนกรอกจนม่วงว่าตลาดนี้ใครมายุ่งเราไม่ได้นะเราทำหน้าที่ของเราเองโดยอัตโนมัติถ้าว่าเป็นหมอก็เป็นขึ้นมาทันทีในตัวของเองถ้าว่าจะว่าเป็นหมอก็ดีอืมการปฏิบัติรักษาโดยกรอบมันพอหมาะพอสมอยู่กับตัวเองเท่านั้นคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้มาเพิ่มมาเติมมาอะไรไม่มันเหลือมันเฟืออยมันมากไปเกินความพอดีกับหลักธรรมชาติคือเป็นอยู่ในตัว มันถึงไม่ก็ยุ่งกับอะไรยังต้องเป็นประธรรมดานานกับตา้าหมอเขาไปกินยุยยาก็เป็นธรรมดาไม่ถึงข้าหัวเลี้ยวหัวต่อเขาได้เขาก็เขียนถึงการมันจะเป็นนั่นจริงหรอยาเราไปยุ่งมัน่ะตายสบายสบายไปฝืน ม, มันทํำไมความตายรักษากระรักษาแล้วมันมาหากระไปสิ จะได้หายความรับผิดชอบแต่ว่าหายห่วงก็ไม่เห็นห่วงอะไรมันจะว่าหายยุ่งเหมือนถูกมันยุ่งกับมันปฏิบัติรักษาพาอยู่พากินพาหลักพานอนพาขับพาขายยุ่งตลอดเวลามีจะเรื่องของขันทํางานด้วยความยุ่งยิดไม่เห็นมันยุ่งอะไรนี่มันงได้รู้วพระราเวีเปนจากขันกาอ๋อมันเป็นตลอดสายนินาวะ ที่เข้อหัวมันอยู่มันก็เป็นพาราฮาเวียปัญจคันธายสมมุติว่าเด็มันบรรลัยบรรเล้วมันกับพาราฮาเวียปัญจคันธายมันเพราะเรื่องมันเป็นพาราอยู่แล้วจะเป็นอะไรอีกทั้งนั้มันไม่ค่อยมีครูมีอาจารย์ส่วนมากพระกรรมฐานที่มุ่งอันมุ่งทำจึงต้องมาทางพังนี้พังนี้พื้นเพลิงมีอยู่แล้ว แต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาโดยลําดับนะครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านก็มีหลายองค์หลายองค์เวลานี้ค่อยกุดด่วนเข้ามากุดด้วนเข้ามานะคือจะคิดขึ้นมาใหม่นี้มันลําบากผิดที่เป็นไปนั่นผมไม่ค่อยจะทาเกี่ยวข้องกับใครๆแล้วก็เป็นอัจยาสายของท่าน แต่พูดมีหลักจิตหลักใจมีอยู่มากเลยนะทางปัจจุบันหลักคิดตะคาวนามีอยู่มากเลยนะแต่ท่านาก็จะมาสนใจกับใครกับญาติกับโยมกับแก่กับคนมันก็คงเกี่ยวกับมิสชยวาสนาสิ่งนี้มันจะต้องเป็นเองเพราะอย่างอย่างผมนี่ผมก็ไม่ได้คิดนะว่าผมจะเป็นครูเป็นอาจารย์ไข่แล้วพูดถึงเรื่องวาสนาน้อยน้อยจริงๆผมมันไม่เคยสนใจเลยถ้าจะมาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนไข่นะมันมุ่งเลยจะ ก็าฆ่าจิตเรียนเขาจะเอาของให้มันแหลกตอานั้นเขาพูดจริงๆอย่างนี้นด้วยเป็นความจริงในใ จ, จิตใจมันจะเริ่มเกิดความเชื่อความสงสัยจากพุทธประวัติบวทที่แรกแร้วสาวกสาวประวัติว่ามันคือสาวกของพระเจ้านั้นอย่างลงในใจจิตยป่งปยิน พราพแม่ครูอาจารย์มั่นสอนใน้างังแล้วความจุใจแล้วโอ้นยิ่งฝังเลยนั่นแล้วที่มันหนักความเพียรมันหนักมันเป็นกำลังใจมันไม่ได้สงสัยแล้วว่ามรรคผลนิพพานหมดเก็ดหมดสมัยไปไหนตามพิจิตริเตมันหลอกต้มมานานแันนานพอทำครูอาจารย์ประกาศลั่นขึ้นมาเั่งนั้นความสงสัยความํำคัญ อย่างนี้มันก็พังลงไปเลย ม, มีแต่จะเอาให้ได้เอาให้ได้นั้นความเพียรมันถึง ห, งหมุนติ้วติ้วเดันร ง, งถึงขั้นสุดท้ายว่าให้ตายกับรู้เท่านั้นให้ตายกับดุดพ้นไม่พ้นตายก็ตายที่จะถอยไม่ได้คำว่าแพ้แพ้ไม่ได้ตายเลยมันถึงขนาด น, นั้น พ่อแม่ครูอาจารย์ร่วงไปชนั้นน่ะหมู่เพื่อนเกาะเพิบเลยก่อนเราอยู่กัมีพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านช่วยแต่ไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนแล้วไปแต่องเดียวองเดียวเราท่านก็เสริมด้วยนะผมไปองคเดียวองคท่านมีหลายขั้นหลายกระทงแล้วองค์ียวเวลาท่านไปไปกับใครท่ถามไปองเดียวเออไปองเดียวอะไรอายุนี่ก็กำจะขี่ยังไม่รู้ว่าขี่หนัก จะไปหากรรมอาดกรมทำที um ่ไหนได้เน <ım> ี of, like, <"Yes> ่ยจะไปนะเนี่ยบางทีบางองค์ไปอย่างนั้นตองเดียวไม่ให้ไปแล้องค์ไปก็องค์นั้นเออไปเนี่ยอย่างเรานี่ไปที่ไหนล่ะก็ถามไปนั่นไปกับใครล่ะไปองค์เดียวเออเอาองค์เดียวแล้มันดีอ่ะมาหาไปองค์เดียวนะใครจะไปกวนท่านนะให้บุ้งท่านน่ะท่าน ก็ปราบไว้แล้วแล้วก็พระก็อยู่กับท่านนี่อย่าไปวุติธรรมเลยเราก็สนุกไปคนเดียวเลยถึงนเวลาระเวลาที่จะมากราบเยี่ยมท่านเราก็มาของเรารไปกส่วนมากก็ไม่ก็ไปห่างไกลอะไรนะสี่สิบห้ากิโลไปกลั บ, ไ ป, ลบไปกลับมาได้เวลาสงสัยก็าอาจก็ทํามาท่านแล้วก็มาลงบูสวดกับท่านหวังจะฟังธรรมะนี่ลงบ่วดเสร็จแล้วก็ไปกลับไป บางทีก็ไปไกลเหมือนกันนะเป็นพันเป็นโหเป็นร้อยกิโลพันกว่าเส้นอยงนี้ถ้าอย่างนั้นนานสองเดือนเมื่อไงกลับมาทีนึงไปบางทีก็ไปนานตั้งสี่ห้าเดือนเปไปไปกลแบบนี้เอาเนี่ยไม่ได้ยังไงว่นนานาดีจำเรื่องอะไรบางทีก็เห็นลงไปถึงกาลสินหนุน เือตามผู้ตามเขาก็ลงหุกลับขึ้นอีกไปูตามปะตามเขากรรมฐานเราจะพูดถึงเรื่องอาหารการบริโภคนี่มันเหมือนนักโทษในเรือนจําหนาแล้วแต่เราหาอย่างนั้นนี่แล้วไม่หาความเหลือเพื่อความสนุกสถานลื่นเลึงไปด้วยลิ้นด้วยปากด้วยท้องแล้วหาความสนุกลื่นเลึงด้วยอาดด้วยทำต่างหากมันจึงต้องหาเองภาษาหยุด่วนมากกว่ไปเดียว อยู่ก็พวกอะไพวกโซ่พวกค่าเขาะ่ะอยู่ตามหลังเขาไหลเขาสี่ห้าหลังคารวนเขาไม่ได้ทํานาหรอกมเขาทําไร่ปมิ่งพวกทำลายป่าเต็มนะทําไร่ไม่ทานาตา ย, ตายจะทำมาอะไรบินตบบัตร เ, เอาได้อาศัยเขาบางวันก็ได้คลิกม า, มาห่อหนึ่งพลิกเขาพลิกขีห้หนูโอ้จริงแม่ เป็นไฟเลยเจ้ะพอจินลงไปนิดหนึ่งือตายแล้วจะมีอาหารการกินจะมีอะไรแต่ เ, เราไปหาอย่างนั้นมันเป็นเจตนาของเราเองมันมนจะเข้าวระเป๋านั้นนะ่ะมันมากมว่าันไม่ได้เป็นอารมณ์มนเข้าวระเป๋าอยู่กินมา ก, กันนาดไหนคนเรา อิ่มนิดหน่อยมัจะอิ่มนะโดยนน้กลมมันตัวผิวไปทีมันไม่งอกไม่ง่วงมันเป็นเพราะอาหารต่างๆนะกลับนะ่ะสําคัญที่จะเข้าเปล่าไม่ง่วงนะกลับยิ่งผัดผั ด, ผดมันๆวยแล้วนั่นแหละตัวเก่งกล่อมแนละ้ยิ่งชันาหายังไม่เสร็จเดือดชั่งสลับกราบๆเหอเรียนรูอ้อาหารชนีดใดเป็นไปมันเป็นเสริมเรื่องราคาตันหารข้างหามันแสดงก่อน กำลังวังชาดี ท, าทั้งๆทีเราไม่ได้สนใจกับสิ่งนั้นมันก็เสริมไม่เห็นมันต้องเป็นดัดดัดเรื่อยแต่ก่อนมีได้กดลงหรือธาตุขันเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะท่านเจาะแต่ยังหาครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงสัหายท่านดำเนินท่านดาเนินอย่างนั้นไปหาที่โอเรย์อยากขาดัดขาดเกินๆนั่นเนนะพอะไรอย่างที้วิ่ ชีิตเขาเขาเพื่อเป็น ว, วัน 1, วันหนึ่งวันหนึ่งให้ตำของเปล่าเปลี่ยนเรื่องคนทจะไปเกี่ยวข้องใครจะไปเกี่ยวข้องเขาไมก็ไม่รู้เรื่องของเราเราเราก็าไม่สนใจเราเขาเลยเราไปหาภาวนางานที่เอาอยู่ทั้งวันก็ได้เป็นกคมนางสมที่ภาวนาจะมีงานอะไรมายุ่ง ม, มันก็เพลินภาวนาสมาธิสงบเย็นอยู่ตลอดแล้วมันก็ยิ่งสบายยิ่งเข้าปัญญาได้แล้วมันก็ยิ่งงานเต็มตัว ถ้าดำเนินดำเนินอย่างนั้นน้องผื อ, องี้เหมือนกันท่ามากๆทมีอาหารมีอะไรที่ไหนแต่ไม่ได้อยู่เพราะอาหารอยู่เพราะทำต่างหามันได้อดอยากขาแกลนอะไรไมาอยู่ได้พน้องผือก็หลังคาเดือนเก็บเก็บกิบหลังแต่ก่อ น, นขอเขาขดขวายเต็มทัิกําลังความสามารถของเขาเนี่ย แ, แต่มันก็ไม่เพียงพอกับพระคือพื้นหลังกลับนะฉันเคี่ยวมันข้าวไม่อวนแล้วข้า มันเที่ยวไปอยัางวัดเรามันพิลึกนี่มันท่วมจะตายเลยมันไม่มีอะไรเจริญทำนี่ถือาหารเจริญกิเลสเจริญอย่าย่ำถลายก็ว่ามันน้อยขนาดไหนก็ตามแต่น่ะถ้าที่ดูอยู่นี่มาจากวันนี้น้อยมากนี่มันมันไม่มากอะไรมันเหลือดถ้าเที่ยวก็ต้องอย่างที่หลวงพื้แล้วมันก็มันมากเกินไปอยู่แล้วนี่เห็นก็เป็นเอง ถ้าอยอดยมน้ำส้มน้ำหวานน้ำวา่าน้ำตาลได้กินกันที่ไหนอันนี้มันลุนป่าอยู่นั้นตลอดมันขาดครัวที่ไหนมันเต็ ม, มเต็มเ น, น้ำตาลที่เป็นพื้นอยู่แล้วยัง ม, มีน้ำส้มน้ำหวานอันนั้นอันนี้มันแอบมาแฝงอีกเสริมต้องรุนนมันไม่มีเพราะเวลาพาหมูวนปฏิบททัติไปแล้วผมยังไม่เคยสนใจกับน้ําร้อนน่าจะประจํามรรษาทิจันก็ไม่ไม่อยู่งยุ่งของน้ําร้อนนะ ไมด้ฉันน้ำร้อนกันมายิงที่แรกก็ไม่ได้ฉันไม่สนใจกับน้ำร้อนน้ำชายเลยั็อยู่นานมานานมาคนนั้นนอนกระายไม่ส่ายมันมีขึ้นมีขึ้นมันเกิดถึงได้มีอย่างนี้แหละท้ามก็เลยมีมาเป็นประจําจนออกหน้าออกตาซะแล้วเนี่ทําเจริญในที่ขาดขาดขนเขินเข้มเขียบมาเน่ะยิเด็ดมันเจริญในที่สมบูรณ์ภูมิผลนี่แหละหลักอันนี้จาไม่ดี คุยทรงอัดทรงทำมิตรผู้าาขยันขันเขินเคยทุกมาแล้วแต่ยังไงมันก็ไม่เข้าขีดผงหลวงปู่ ม, มั่นหลวงปู่ศรีนั้นท่านบุเบิกพิลิกนั่นท่านทุกมากเราไปที่ไหนเขาก็รู้แล้วก็มาถาม ท่านเขาจะไปรู้อะไรขี้ดูเขียนหนังสืออะไนี่เห็นไหมเขามาเจอท่านเขแตะคือเข้าป่านังที่เขียนนั่นั่นเป็นความผิดที่ไหนะ่ะทางกดรใหญ่กั้นล้มไปนี่เขเห็นก็แตะคือทีเขากําลังไปเที่ยวหาอยู่เขากินในป่าเดินไปก็ม่เห็นแตะคือเขาผ่านแม่หลวงลูกลูหลวงแม่แตะหลงเสียงรั้นเฮนั่นก็ผ่านไปแล้วมาหักกันก็หัวแล้วกันลั้นคือเขาอายนั่น คืก็ไปหากินไปหาค่าสัตว์อะไรเง้ยหาปูหาป่าในป่าในดงอะไรอย่างเ้วแต่พเอเขาเจอาเขาก็อายเพรโดนเข้าป่าแต่โฟก้ากลางป่าแต่างเากลัวเหมือนกับ ก, กลัวสัตว์กลัวเสือเขาไม่ได้กลัวงานเขากลัวด้วยความอายเขาเหมือนกับว่าเขานี่กับช้าลามกแล้วกับเพศของพรานนี่ยมันไกลกันมากกับที่เขาหาอยู่หากินนั่นเป็นเท่าที่ ยาบ เ, าเขากลัวท่านเขากลัวอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากมาความหมายมันเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นสนเด็กก็นักกลัวกินก็ได้เด็กคนหลงป่อหลงแม่อมส่วนพงแม่ม ว, วมมิ่งกับป่านแต่คือเขับป่านเขาเขากลัวด้วยความอายของเขาเห็นป้าทางกระวาฐานหมาแล้วอาย ตอนสมัยผมเที่ยวอยู่มันก็สะดวกนะมันไม่มีผมยักษ์พวกผีมากอยู่ทุกย่อมย่ามเหมืนอนทุกวันนี้ลัทธิสังหารธรรมลัทธิยักษ์ป่านนี้ก่ออยู่ในโม่แต่ก่อนนุ่งที่ยังท่านหวดไปอยู่เหล่านั้นผมเคยไปหมดแล้วนะนั่นท่านหวัวดท่านปิ่นที่ว่าไปตายผมไปเที่ยวไปหมดแล้วพวก หน้าหลักแจ้งงานก็ไหนไหนบ้านน้องหมูน้องหมาผมไปหมดแล้วไปเที่ยวอยู่พี่นครนามัานแจ้งนาเนี่ยมัมีประมาณสักสิบสี่สิบห้าหลังการเด้นเป็นโดงทางนั้นนั่นนี่อันนั้นก็เป็นป่าไร่ป่าไมันผ่ป่าไร่เดินไปึนตั้งวันเลยคนนึงรอยเสือนี่เหมือนกับรอยไก่ บ้านหลายว่าหลายบ้านอนะ่ะผมจำไม่ได้เลยนะที่ผมเคยไปอยู่บ้านนาหนลักบ้นนางบ้านนองหมูบ้านอะไรเล็กๆ เ, ก เ, ก เ, กเกขาว่านี้มีทนานาละเขาเขาทาไร่างนั้นนะผมเจ้าทั้งศรัทธาเขาดีนะเขาใส่บาตรเราติ น, นพ่อแม่ครูจรย์เคยไปนั่นนะ ทั้งหน้าหลับแย่างงานพ่อแม่ครูยังเคไปภาวนาอยู่นั่นนะเราไปเขาก็เล่าให้ฟังผู้เฒ่าคนหนึ่งยังยั ง, ยงมีชีวิอยู่ตอนนั้นก็พ่อแม่ขรูจังยั ง, ยงมีชีวิตอยู่ยต่อไปเขาก็เล่าให้ฟัง่มอญาตาท่านเขาว่าไงเขาว่ายาท่านญาท่านยาติาาท่านมั่นมาอยู่นี่แล้วมาขนามีแต่ดงแต่ป่าทั้งนั้นสัตเสือนี่เต็มไปหมดนั่น ก็ออกจากทางนี้เราไปตัดออกไปทางอำเภอนาแก่เนี่ยก็เข้าไปนั่นเลยเรื่อยๆก็นาเรื่อยไปไปเรื่อยจนออกทางกาลสินออกจากกาลสินแล้วขึ้นมาทางกำมะถุนมาห น, านองผือเราแหงละเดือนสองเดือนเรื่อยๆเรื่อยมาปีหนึ่งขึ้นทางหนึ่งปีหนึ่งขึ้นทางหนึ่งขึ้นภูเขานนเนี่ยผมว่ามันต้องรู้หมด พวกป่าพวกอะไรพวกมือมันนี่มันอยู่ที่ไหนรู้มัผมอะอยู่จุด น, นัน่นจุดนัน่นก็เป็นจุดที่เราเคยไปเคยอยู่แล้วทางนั้นทางภูเขาทั้งจังหวัดสกลนครเนี่ยตรงนั้นอยู่ไหนก็รู้หมดเลยก็เคยอยู่แล้วแต่ก่อนไม่มีอยู่ในสบายมั้ถนนทางไม่มีเลยเป็นด่านนะทางไปบ้านแต่ละบ้านแต่บ้านเนี่เป็นด่านไปมันไม่มีรถมีเกวียนี่ ปวนนั้นเขใส่กับกาแฟเขาใส่หลังหมดนะหาบบ้างใส่กาแฟใส่หลังบ้างป่าเขาเขาทำไร่กินสทำลำพับบงข้าวเขากินก็ไม่พอกินนะ่ะข้าวแดงแดงนะข้าวไร่นี่ยแดงแดงไม่พอกินนะ่ะเขาต้องเอาหาสัตว์หาของป่านะ่ะลงไปแลกเปลี่ยนนะ้ตามหมู่บ้านพื้นๆนู่นทุ่นงนานขึ้นมา เขถือเป็นความสนุกสนานเมืก่อน น, น, น, นอะเขาลงไปหาอะไรไปแรกไปเปลี่ยนลแล้วเอาหาข้าวขึ้นมาแล้วก็หาจะเป็นนอ่อยแยะนอไว้เครื่ง อ, ง ป, องป่าเครื่องป่ามีเยอะนี่เป็นสัตว์สัตว์ป่ากวางก็มีเนาะเกลี่ยก็มีมู ก, ก็มีเอ็นก็มีแล้วแต่เขาจะได้อะไรละ่ะ เขาลงไปแลกไปเปลี่ยนหาขึ้นมากินแล้วเผือกเอ า, เอเามันลงไปไปแลกเปลี่ยนข้าวขึ้นมาช่วยกินของเจ้าของก็มีก็เอามาเปลี่ยนด้วยเขากินเนื้อเขาไม่กินเหลือเผือแหละอนจะอะไรมาเหลือเผือเป็นสวนเป็นน้ำอะไรเขาเขาเห็นมีทีพวกสวนสวนก็ทำปลูกนั้นปลูกนี้ไม่มี ก็มีไร่ของที่ว่าเขาไปปลูกเผืวกปลูกมันไว้ปลูกข้าวเนี่ยเขาทำไร่ข้าวแล้วก็มีเผือกมีมันปลูกสับแฝงเงินไปต้นเงินไปนั้นไม่มีสวนเมืองอย่างเราไม่มีนี่พอบดนริจริงแล้วก็กย้ายบ้านไปหาทําเลที่มีป่าทุกซุ่มเนี่ยก็ไปทไํานาป่าอีก มนันลื่นเริงนะพอพูดอย่างนี้มันก็ยังทําให้ลื่นเริงผมไม่ได้คุ้นนะก็ผมมาอยู่อย่างนี้ตัวเป็นทางนิสยัยเราไมัน่าเราไปเห็นป่าภูเขาป่าเห็นเขางี้มันใจมันคึกคักตัวอย่างคือวันนั้นไปแจกข อ, องก่อนผ่านป่าผ่านเ ข, า, า, นเข า, าเพราะเราเคยแล้วมันใจมันคกึกคักคึกคักมันอยู่สิมาทั้งวันไม่เกี่ยวกับใครเราไม่เคยจะยุ่งกับใครนี่มั้ย ก็สบายดีหลบแขกหลบคนมันไม่อยากพูดด้วยคืออยู่เจ้าของคนเดียวเจ้าของมันพอดีพอดีเลยแต่เพื่อกับใครเขมาเกี่ยวข้องมันเหมือนกับมีอะไรมาให้เราแบกเราหามมันมันหนักปากก็หนักไม่อยากพูดวันทั้งหลบนั่นหลบนี้เวลาคนมาจําเป็นยิงก่อนรับเใช่ไ่งอะไรมัางคิดว่าไม่ได ห, หมุนอะไร มันอยู่พอดีพอดีมันเจ้าของธาตุขันก็พอดีการรักษาก็ง่ายถ้าอยู่ลำบางคนเดอยวันมีแฉะมาเกี่ยวข้องาก็มาขย่อมเลีมาขยา่อมาขยุ่มเจ็บลังเจ็บแอร์า น, านานๆไปพูนานไปกันเหนื่อยเน่ยมนมีแต่เรื่องขย่าก่อกวน น, นานประชุมตั้ง ว, วันทะอะไรหอ ยี่สิบเดือนกุมภาหนึ่งยี่สิบก็ยีบก้ก็แปดวันแปดวันวันนี้วันที่ยีิบสี่โอ้แปดสีสบสองยี่สอ็ยี่สิบสองวันก็นับว่าได้ฟังอยืนแล้วขนาดนี้อยู่ดีมันไม่คิดได้ขาดฝันว่าจะเท่ๆถึงขนนั้แต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้หวันเจ็ดวันแปดวันประชุมทีหนึ่งประชุมทีหนึ่งเรื่อยอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้ มันกำลังของท่าของขันมันเพียบอยู่ธรรมชาติของมันนย่างเช่นเพียบมันอยู่ ย, ยิ่งน้ อ, อนนี่โดยแล้วมันกดลงกดลงให้เพยรอะฮะเรื่องส่วนรูปนั้นจะเพิ่มความเหนื่อยขึ้นเรื่อยมันลูปขึ้นๆๆ